สิทุติยามารากถาว่าด้มันเรื่องที่สองเรื่องทรงแนะวิธีให้ได้อนุตรวิมุตติข้อ35ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจำราแล้วได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะมานสิการโดยแยบกายเพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยกไขเราจึงได้บรรลุอนุตรวิมุตติ ได้ทำอนุตราวิมุตติให้แจ้งภิกษุทั้งหลายเพราะทำไว้ในใจโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคายแม้ท่านทั้งหลายย่อมบรรลุอนุตรวิมุตติได้ย่อมทำอนุตราวิมุตติให้แจ้งได้ลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาความว่า ท่านได้ถูกผูกด้วยบ่วงมานทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ท่านได้ถูกเครื่องผูกหลายประการรัดลึงแล้วแน่สมณะท่านไม่พ้นเราได้ดอกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเราได้พ้นแล้วจากบ่วงมานทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องผูกหลายประการแนมานผู้กระทำซึ่งที่สุด เราได้กำจัดท่านเสียแล้วขณะนั้นมารผู้มีบาปทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จากเราพระสุคตทรงรู้จากเรามีทุกข์เสียใจได้หายไปนาทีนั้นทุติยะมารากถาจบ